พรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบธันวาคมพุทธศักราช5 5งเป็นวันพระวันธรรมัาสนะวันฟังธรรม อันอที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเติมความสุขเติมความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้มันเจริญคุณธรรมสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งเมตตาสองกรุณา สามมูดิตาสี่อุเบกขาเรียกว่าเป็นพรหมพรหมวิหาสี่พรหมวิหาสี่ก็คือที่อยู่ของเทวดาและพรหมทั้งหลายถ้าผู้ใดสามารถเจริญเมตตาการุณามุดิตาอุเบกขาได้ผู้นั้นย่อมไปสู่สุขคติ ในเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะขึ้นไปตามธรรมที่ได้ได้เจริญไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ใจก็มีความสุขแบบเทพแบบพรมไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆไม่มีอะไรที่จะสําคัญเท่ากับจิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเรานี้ เป็นที่เกิดและเป็นที่รับของสิ่งต่างๆคือบุญและบาปเราทําบุญใจใจเป็นผู้ทําบุญใจก็เป็นผู้รับผลบุญใจทําบาปใจก็เป็นผู้รับผลบาปขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าทําบุญใจก็จะมีความสุขถ้าทําบาปก็จะมีความทุกข์เวลาตายไป ถ้าเป็นบุญพาไปก็จะไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาป พ, พาไปก็จะไปสู่อบายไปสู่ที่อยู่ของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกและผู้ที่จะเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานก็คือใจนี่เองผู้ที่จะเป็นเทวดาเป็นพรหม เป็นพระอริยบุคคลก็คือใจอันนี้เองใจของเราถึงเป็นได้เป็นพระก็ได้เป็นมารก็ได้เป็นยักษ์ก็ได้เป็นเทพก็ได้อยู่ที่การกระทําของเราใจของเรานี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับน้ำน้ำนี้เราจะทำให้มันสะอาดก็ได้ทำให้มันสกกระปรกก็ได้เช่นถ้าเราเอาน้าสะอาด มาซักเสื้อผ้าหรือซักสิ่งโสกโปกน้ำก็จะกลายเป็นน้ำาสกปปกไปแต่ถ้าเราน้ำาสกโปกนี้ไปกรองน้ำก็จะสะอาดได้ใจของเราเป็นอย่างนี้บุญเป็นผู้กรองสิ่งโสกโปกให้ออกไปจากใจทำให้ใจมีความสะอาดมีความสุขมีความเจริญ บาเป็นผู้ที่ทำให้ใจสกรปรกใจสกรปรกใจก็ต้องทุกข์ใจก็ต้องเดือดร้อนวุ่นวายใจก็ต้องไปอบายหลังจากที่ตายไปแล้วนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ค้นพบแล้วจึงได้นำ ม, มามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ปรารถนาความสุข ผู้ที่ไม่ต้องการความทุกข์ให้รู้ว่าความสุขความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นของมันเองไม่เหมือนกับฝนฟ้าอากาศที่มันตกลงมาเองแต่ความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมของจิตใจนี้เกิดจากการกระทำของจิตใจเองถ้าจิตใจทำบาปจิตใจก็จะเสื่อมจะทุกข์ ถ้าจิตใจทำบุญจิตใจก็จะเจริญจะมีความสุขพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พวกเรามาสร้างความสุขความเจริญกันด้วยการสอนใจให้เจริญคุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้คือเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาถ้าเจริญเมตตากรุณามุดิตาได้จิตก็จะ เป็นเทพถ้าจเจริญอุเบกขาได้จิตก็จะเป็นพรหมนี่คือสิ่งที่เราทำได้กันทุกคนและไม่มีผู้อื่นทำแทนเราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองนังที่ทรงตัดสอนไว้อยู่เสมอว่าอตตาหิตอตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้สร้างความสุขสร้างความทุกข์ ผู้อื่นไม่สามารถสร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้กับเราได้อย่างแท้จริงความสุขความทุกข์ที่ผู้อื่นเขาสร้างให้กับเราเป็นความสุขความทุกข์ชั่วคราวเช่นเวลาเ้าทำดีกับเราเราก็มีความสุขแต่พอเขาทำไม่ดีกับเราเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้อยู่ในใจ ไม่ว่าเขาจะทำดีหรือเขาทำไม่ดีกับเราเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่วุ่นวายใจนี่แหละคือความสุขความทุกข์ที่แท้จริงที่ไม่เกี่ยวกับผู้อื่นผู้อื่นไม่สามารถทำให้เราสุขให้เราทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้าเรามีคุณธรรมทั้สีประการนี้เราจะมีความสุขไปตลอด เราจะไม่มีความทุกข์เลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถที่จะรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขได้เราจึงต้องเป็นที่พึ่งของเราเองอย่าไปพึ่งผู้ออย่าไปพึ่งสิ่งอื่นเพราะสิ่งต่างๆนั้นเป็นของชั่วคราวเท้งนั้นสิ่งที่เราพึ่งนี้เป็นของชั่วคราวเช่นเงินทองนี่ก็เป็นของชั่วคราว ได้มาแล้วก็หมดไปลาบก็เหมือนกันสรรเสริญก็เหมือนยศก็เหมือนกันสรรเสริญก็เหมือนกันได้มาแล้วก็มีวันหมดไปเวลาได้มาก็มีความสุขเวลาหมดไปก็มีความทุกข์ก็ต้องหามาใหม่หาได้ก็สุขถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์แต่คุณธรรมทั้งสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างให้เราเจริญนี้ จะไม่มีวันหายไปจากใจของเราถ้าเราสร้างขึ้นมาได้แล้วจะอยู่กับใจของเราไปตลอดและจะผลิตความสุขให้กับเราไปตลอดเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการผลิตความสุขผลิตความเจริญที่แท้จริงดีกว่าไปผลิตความสุขที่ไม่แท้จริงที่จะมีความทุกข์ตามมา เวลาที่ความสุขที่เราได้มานั้นหมดไปจากเราไปดังนั้นขอให้เรามาหักเจริญเมตตากันการุณามุนิตาอเาุเบกขาเมตตาแปลว่าอะไรเมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความอยากให้ผู้อื่นมีความสุขมีความเจริญความอยากให้ผู้อื่นนั้น ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆการที่เราจะทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เราก็ต้องมีเมตตาเมตตาก็คือให้อภัยได้ไม่ทำร้ายผู้อื่นเวลาที่เขาทำร้ายเราเวลาใครเขาทำร้ายเราเราไม่จองเวรจองกรรมเราให้อภัย พาการจองเวรจองกรรมนี้จะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาเหมือนไฟนรกเผาผลาญจิตใจของเราถ้าเราให้อภัยได้ยกโทษให้เขาได้ไม่ถือโทษเกิดเคืองได้ใจก็จะเย็ยนใจก็จะมีความสุขคิดเสียว่าเป็นการทำบุญกันถ้าเขาคิดว่าการทำร้ายเราทำให้เขามีความสุขเราก็ให้เขาทำไป ถ้าเราหลีกได้เราก็หลีกหลบได้เราก็หลบแต่ถ้าเราหลบไม่ได้หลีกไม่ได้เขาจะทำร้ายเราเราก็ควรจะใช้ความเมตตาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้พระเมตตาเวลาที่เทวทัตปล่อยช่างมาเพื่อที่จะม า, เ, าเหยียบพระพุทธเจ้าทาลายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธเคือง ทรงแผ่เมตตาให้กับช้างไปช้างพอได้รับความเมตตาเขาก็ไม่ทำเพราะบา ร, รมีคือความเมตตาของพระพุทธเจ้านี้มีพลังมากไม่เหมือนของพวกเราพวกเราแผ่ไปเท่าไหร่เขาก็ยังจะทำเราอยู่ก็เพราะว่าเรามีน้อยเราไม่ฝึกแผ่กันเรื่อยๆพอเวลาจะแผ่เลย ไม่มีพลังที่จะไปเปลี่ยนใจเขาได้ที่จะไปทำให้เขาไม่มาทำร้ายเราได้แต่ถ้าเรามีพลังเวลาใครเขาคิดทำร้ายเราหรือทำร้ายเราแล้วเราแผ่เมตตาไปให้กับเขาเขาก็จะหยุดเขาก็จะไม่มายุ่งกับเรานี่คือความเมตตาความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข เวลาแผ่เมตตานี้ก็ต้องแผ่ต่อหน้าผู้คนที่เราพบปะไม่ใช่ไปแผ่ที่เวลาอยู่อยู่คนเดียวเวลาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งแผ่แผ่ไปตรงนั้นก็ไม่มีใครรับแผ่ไปแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรต้องแผ่ตอนที่เผชิญหน้ากันตอนที่เจอใครพบปะกับใครจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ให้แผ่เมตตา อย่างน้อยก็ยิ้มให้เขาสักหน่อยหรือทักทายให้เขาสักหน่อยหรือถ้ามีมีขนมมีของอะไรพอจะแจกพอจะแบ่งปันกันได้ก็แจกให้เขาไปแบ่งปันให้เขาไปอย่างนี้เราก็จะแผ่เมตตาแล้วผู้ที่รับเมตตาของเราเขาก็จะรักเราชอบเรา พระพุทธเจ้าสรงจัดว่าผู้ใดสามารถแผ่เมตตาได้อย่างสม่ำเสมอจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะการให้ประโยชน์ให้ความสุขกับผู้อื่นนั้นย่อมทำให้ผู้อื่นอยากจะให้ความสุขให้ประโยชน์กับเราเป็นการตอบแทนอย่างเราเวลาใครเข้ามาให้ความสุขกับเราเราเราคิดอย่างไรกับบุคคลที่เขาให้ความสุขกับเรา เราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณของเขาอยากจะให้เขามีความสุขเหมือนกับเราเวลาใดถ้าเรารู้ว่าเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็จะยินดีพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาทันทีหรือเวลาใดที่เรามีลาบมีอะไรมากจนกระทั่งเราไม่อยากจะเก็บไว้เราอยากจะแบ่งให้คู่ เราก็จะทําคิดถึงคนที่เขาให้ความสุขกับเราก่อนนี่เป็นธรรมชาติของจิตใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นใครรักเราเราก็มักจะรักเขาใครเกลียดเราเราก็มักจะเกลียดเขาถ้าเราอยากจะให้เขารักเราเราต้องทำตัวให้เขารักเราเราต้องทำประโยชน์ให้กับเขาต้องให้ความสุขกับเขาแล้วเขาจะรักเรา ถ้าเราไปทาร้ายเขาทำให้เขาทุกข์เขาก็จะเกลียดเราบางทีเราอยากทำอะไรเราก็ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นขอให้เราทำตามความอยากของเราผู้อื่นจะเดือดร้อนเราก็ไม่สนใจแล้วเราก็เลยไปสร้างศัตรูขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเช่นเราอยู่บ้านติดกันเรานึกอยากจะ เปิดเพลงดังลั่นบ้านแล้วก็เปิดล่องลำทาเพลงส่งเสียงอึดกระทึกคึกโคงไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เขาอยู่ข้างบ้านคนที่เขาอยู่ข้างบ้านเขาก็ต้องเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเขาก็จะไม่ชอบเราเขาก็จะเกลียดเราเพราะว่าเราไปกระทำสิ่งที่ทำให้เขาเดือดร้อนนั่นเอง แต่ถ้าเรามีอะไรเราส่งไปให้เขาแบ่งไปให้เขาทำแกงก็แบ่งแกงให้เขาทำขนมก็แบ่งขนมให้เขาไปอย่างนี้รับรองได้ว่าเขาไม่เกลียดเราเขาจะรักเขาจะชอบเรานี่คือความเมตตาเป็นอย่างนี้เราต้องให้ความสุขกับเขาเราต้องละเว้นการให้ความทุกข์กับเขานะ เวลาเราจะทำอะไรเราต้องคิดให้รอบคอบก่อนว่าการกระทำของเรานี้ไปกระทบกับผู้อื่นทำให้เกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายหรือไม่ถ้ามันเกิดเราก็ควรจะมาทบทวนดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มได้คุ้มเสียหรือไม่ได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้ถ้าเสียมากกว่าได้ก็อย่าไปทำดีกว่า นี่คือความเมตตาเราต้องมองทุกคนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันการมาเกิดในโลกนี้ก็มีความทุกข์พอสมควรแล้วพวกเราทุกคนมีความทุกข์ด้วยกันทุกกับการแก่ทุก์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับการตายเราอย่าไปเพิ่มความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเขาเราควรที่จะมา ลดภาระลดความทุกข์ของเขาจะดีกว่าอันนี้ก็นํามาสู่คุณธรรมขั้นที่สองคือความการุณาความการุณาก็คือช่วยบรรเทาทุกข์ของผู้อื่นเวลาที่เราเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนลำบากลำบนขาดแคลนปัจจัยสีอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนึง่งห่ม เช่นเวลาเกิดภัยธรรมชาติเป็นวาตภัยหรืออุทกภัยหรืออักคีภัยพวกเรามักจะร่วมกันหาข้าวของต่างๆไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนนี่เรียกว่าเป็นความการุณาอย่าดูดายอย่าไปคิดว่าตัวใครตัวมันอย่าไปคิดว่าอัตตาหิตอัตนโนนาโถ อันนี้ไม่ใช่เรื่องของอัตตาหิอัตโนนาถูเรื่องของความเมตตาเรื่องของความการุณาเพราะคนเราอยู่ด้วยกันบางครั้งก็หกล้มได้เห็นคนอื่นเขาหกล้มเราก็ควรที่จะพยุงเขาให้เขารุกขึ้นมาเดินได้เพื่อเขาจะได้พึ่งตัวเขาเองได้เวลาที่เขาพึ่งตัวเขาเองไม่ได้เราต้องช่วยเหลือกัน เช่นอย่างลูกของเรานี้เกิดมาออกจากท้องแม่มานี้ก็ถ้าให้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถก็คงจะตายแน่ๆคงจะไม่มีวันที่จ ะ, ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่เพราะความกรุณาของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกเพราะรู้ว่าถ้าไม่เลี้ยงดูลูกก็จะไม่มีวันที่จ ะ, จะเจริญเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งของตนเองได้ ดังนั้นการช่วยเหลือผู้อื่นก็จําเป็นในกรณีที่เขายังไม่สามารถช่วยตัวเองได้อย่ามาอ้างว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคนที่ไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมักจะอ้างอย่างนี้ว่าตัวใครตัวมันแต่พอตัวเองเดือดร้อนนี่ก็ร้องโวยวายขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นลืมไปว่าตนเองก็อาจจะตกอยู่ในสภาพนี้ได้เช่นเดียวกัน ชีวิตของพวกเรานี้มันไม่แน่นอนมีปัจจัยต่างๆที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้เราสุขเราร่ำเรารวยเพิ่งนี้เราอาจจะยากจนเราอาจจะตกทุกข์ได้ยากก็ได้เพราะมันมีปัจจัยที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารวมทั้งบุญทั้งบาปที่เราทําไว้ในอดีตตอนนี้บุญส่งผลชีวิตเราก็เลยรุ่งเรืองแต่วันดีคืนดีพอถึงเวลาของบาป ที่จะมาส่งผลวันนั้นชีวิตเราก็จะตกต่ำได้และตอนนั้นถ้าเราใช้หลักอัตตาหิอัตโนนาโธก็จะไม่มีใคร้ามาเหลียวแลเราเพราะเราไม่เคยเหลียวแลใครแต่ถ้าเราเหลียวแลเราคอยดูลุคอยช่วยเหลือผู้เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจะมีคนมาช่วยเหลือเราอย่างมากมาย ก็นี่เป็นธรรมชาติของใจของพวกเราทุกคนเราอยากจะช่วยคนที่เขาช่วยเหลือเราเราไม่อยากจะช่วยคนที่เขาไม่ช่วยเหลือเราดังนั้นถ้าเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ควรที่จะช่วยเหลือเพราะจะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นผู้ที่มีเมตตามีกรุณานี้เป็นจิตของระดับเทวดา mm hmm. เหนือกว่ามนุษย์ มนุษย์นี้จะเป็นแบบที่ไม่เบียดเบียนเท่านั้นคือจะไม่ทำร้ายผู้อื่นแต่จะไม่สนใจกับการช่วยเหลือผู้อื่นยังมีบางคนเข้ามาถามว่าถ้าตัวเราไม่ทำบาปแต่เราไม่ทำบุญนี้จะได้ไหมก็ได้แต่คุณจะไม่ได้เป็นเทวดาคุณจะไม่ได้รับความสุขจากการทำบุญคุณเพียงแต่รักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ไว้เท่านั้นคือการรักษาศีลห้า ผู้ที่จะมา เ, าเกิดเป็นมนุษย์ได้นี้ต้องมีความสามารถที่จะรักษาศีลห้าได้ถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ก็จะต้องไปอยู่กับพวกเดรัจฉานอย่างพวกที่ไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ในขณะที่เป็นมนุษย์เขาทำอย่างไรกับพวกนี้เขาก็จับไปขังในคุกในตารางเหมือนกับขังสุนัขเหมือนกับขังสัตว์เดรัจฉานเหมือนกับขังสิงสาราสัตว์ เพราะถ้าปล่อยให้พวกนี้ออกมาเพ่นพ่านเดี๋ยวก็จะไปกัดผู้อื่นไปทำร้ายผู้อื่นเนี่ยคนที่ทำผิดศีลห้านี้ก็ไม่ต่างจากเดรฉ า, านเดรฉ า, านเขาก็ไม่มีศีลห้าแต่ถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ถือว่ารักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้แต่ยังไม่สามารถเป็นเทวดาได้เพราะจิตใจยังคับแคบจิตใจยังไม่มีความเมตตากรุณา ต่อผู้อื่นผู้ที่จะเป็นเทวดาได้จึงต้องมีความเมตตามีความกรุณาและต้องมีมูดิตาด้วยมูดิตาคืออะไรก็คือความยินดีกับความสุขกับความเจริญของผู้อื่นปกติพวกเรานี้มักจะไม่ชอบยินดีเวลาเห็นคนอื่นเขาได้ได้ดบได้ดีได้ร่ำได้รวยเรามักจะอิจฉาริษยากัน โดยเฉพาะพวกที่เป็นคู่แข่งของเราคู่ต่อสู้ของเราเวลาเขาได้ดิบได้ดีนี่เราจะไม่ชอบเราอยากจะให้เขาไม่ได้ดิบได้ดีบางทีเราถึงกับไปกันแกล้งเขาก็มีเพื่อที่จะไม่ให้เขาได้ได้ดิบได้ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีมูดิตาถ้าเป็นผู้มีมุริตานี้จะไม่ไปขัดขวางความสุขความเจริญของผู้อื่น เพราะจะยินดีชื่นชมกับความสุขความเจริญของผู้อื่นเพราะผู้ที่มีมุดิตานี้ก็คือผู้ที่มีเมตตานั้นเองมีการุณาก็คืออยากใช้ให้ผู้อื่นมีความสุขมีความเจริญไม่อยากให้ผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน <Yeah. S 1> การมีบุดิตาจึงเป็นผลที่เกิดจากการมีเมตามีกรุณา <Yeah. S 1> เวลาเรา เห็นผู้อื่นเขาได้ดีบได้ดีเขามีความสุขเราก็ชื่นชมยินดีไปกับเขาแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทาบาปทำกรรมกับเขาถ้าเราไม่ยินดีเราอิจฉาริษยาเราก็อาจจะไปหาวิธีกันแกล้งเขาไม่ทำให้เขาไม่ได้รับได้ดีบได้ดีถ้าเราไปทำอย่างนั้น เราก็เลื่อนจิตใจของเราลงจากการเป็นเทวดาการเป็นมนุษย์มากลายเป็นเดรัจฉานไปดังนั้นเราต้องพยายามฉัดเจริญมุติตามุติตานี่เขาสอนเราให้เจริญเวลาที่เราเล่นกีฬากันมีการแข่งขันกันการแข่งขันกันย่อมมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาผู้แพ้ ก็ควรที่จะยินดีกับผู้ชนะไม่ใช่แพ้แล้วก็มาโวยวายมาทะเลาะกันมามีเรื่องมีราวกันอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเจตนาของการเล่นกีฬากันการเล่นกีฬาเพื่อฝึกสอนให้เรามีเมตตามีกรุณามีมูทิตาต่อผู้อื่นเราชนะเราก็ต้องอขอบใจผู้ที่แพ้เรา พราะถ้าเราไม่มีเขาเราจะชนะได้อย่างไรเราเล่นกีฬาเราก็ต้องมีคู่ฝ่ายตรงกันข้ามถ้าเราเล่นของเราคนเดียวเราจะไปแพ้เราจะไปชนะได้อย่างไรอย่างนั้นเวลาที่เราชนะเราก็ต้องขอบใจผู้แพ้เพราะผู้แพ้ทาให้เราได้ชัยชนะผู้แพ้ก็ต้องขอบใจผู้ที่ชนะเพราะว่าจะได้สอนให้เขารู้จักเจริญมุญดิจตา คนที่จเจริญมุติตาได้นี้เป็นคนที่จิตใจสูงเป็นคนที่มีความสุขคนที่ไม่สามารถจเจริญมุติตาได้จะจิตใจต่าและจะมีความทุกข์จะมีความไม่สบายใจนี่คือคุณธรรมสามประการที่จะทำให้ผู้ที่บําเพ็ญนั้นได้เป็นเทวดาส่วนคุณธรรมข้อที่สี่คืออุเบกขา จะทำให้ผู้ที่บาเพ็ญ น, นี้เป็นพรหมได้พรหมก็คือผู้ที่มีจิตใจที่นิ่งสงบที่จะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีผู้ที่มีอุเบกขานี้จะรู้สึกเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรเพราะความมีอุเบกขานี้เป็นความสุข มากกว่าสิ่ง ต, งต่างๆที่เราจะได้รับนะถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเราจะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีดีก็ไม่มีความสุขเท่ากับความสุขที่เราได้จากการทําใจให้เป็นอุเบกขานะถ้าามีอุเบกขาแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ จะดีก็ไม่ไม่ดีใจจะไม่ดีก็ไม่เสียใจเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาทุกข์ไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาสุขไม่ได้เวลาเขาสุขก็เป็นเรื่องของเขาเวลาเขาทุกข์ก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราจะไม่ไปทุกข์กับเขาให้วุ่นวายใจไปปปล่า เราจะทำใจเฉยๆวิธีจะทำใจเฉยๆก็ต้องนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิแล้วใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะมีอุบเบกขาวิธีที่จะนั่งสมาธิให้เกิดผลก็ต้องมีสติต้องควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจคิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียว ห้าใจสามารถคิดอย่างต่อเนื่องคิดพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอสงบใจก็จะเป็นอุเบกขาใจจะมีความสุขจะไม่มีไม่จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆเพราะจะไม่อยากได้อะไรการที่เรามีความเดือดร้อนวุ่นวายใจกันก็เพราะเรายังมีความอยากอยู่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พออยากได้ขึ้นมาใจก็กวลกวายกระสับกระสายขึ้นมา ท, าทันทีแต่ผู้ที่มีความสุขมีสมาธินี้จะมีอุเบกขาจะไม่มีความยินดีกับสิ่งต่างๆเพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆนี้ให้ความสุขไม่ได้ดีเท่ากับความสุขที่มีอยู่ในอุเบกขานี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างเป็นสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน เหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีเราต้องพยายามมาฝึกทำใจให้เป็นอุเบกขากันพยายามนั่งสมาธิกันพยายามเจริญสติกันพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้พบกับอุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วเราก็จะสบายไม่มีความทุกข์ใจไปตลอด นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้พบแล้วได้ยินได้รับผลแล้วจึงเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์อยากจะให้พวกเราได้ประโยชน์แบบนี้บ้างจึงได้นำเอามาสั่งสอนพวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมา วัดเพื่อมาเติมความสุขเติมความเจริญด้วยการเจริญอุปพรมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขานีให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจนาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้